ท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสางที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5งันเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาลาบาก มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะมีความศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะปกป้องไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจ และกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้หมดไปไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นจะยังต้องอยู่ตกอยู่ภายใต้ความทุกข์ใจ ด้วยการทุกคนมีพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นสาระองค์แรกเป็นผู้ที่สามารถที่จะปฏิบัติจนกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ด้วยพระองค์เองโดยที่ไม่มีใครสั่งสอนเพราะไม่มีใครรู้ จากวิธีการปฏิบัติที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเนื่องจากได้ทรงสะสมปัญญาบารมีและบารมีอื่นๆมาอย่างโชคชนจึง ทำให้พระองค์สามารถศึกษาค้นคว้าวิธีการดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ได้ทรงดับทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้มีความสนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ภายในใจ ผู้ที่น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถกำจัดความทุกข์ภายในใจต่างๆได้ไปหมดจึงปรากฏเป็นพ้าอาลัราตะสาวกขึ้นมานี่คือบุคคลวิเศษที่พวกเรายึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจถ้าเรามีพระพุทธเจ้ามีพ้าอาลาันตะสาวก มาแสดงธรรมให้แก่พวกเราพวกเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วพวกเราก็จะกลายเป็นพระอาหลานตสาวกขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อเราได้เป็นพระอาหลานตสาวกแล้ว เราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจจะมีแต่บรมสุขที่ทรงเรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ไปตลอดชั่วฟ้าดินสลายเพราะใจนี้ไม่ได้สิ้นไม่ได้สุดไม่ได้หมดไปกับฟ้าดินสลายนั่นเองต่อให้มีมีโลกกี่โลกแล้วโลกต่างๆเหล่านี่ ถูกทำลายหายไปหมดพร้อมกับผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่อาศัยอยู่บนโลกจิตใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์ที่ไม่มีการดับของดวงจิตดวงใจของทุกๆุกคนของทุกสัตว์ทุกบุคคลเพียงแต่ว่า ยังมีความทุกข์ในระดับต่างๆกันเนื่องจากว่ายังไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของตนให้หมดไปได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพาาระอรหันตสาวกมาสอนวิธีของการดับทุกข์สัตวโลกต่างๆที่อยู่ในโลกทิพนี้ก็จะไม่ สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ด้วยตนเองก็จะอยู่กับความทุกข์ในระดับต่างๆขึ้นอยู่กับการกระทําบาปต่างๆนั่นเองทําบาปมากก็จะอยู่กับความทุกข์มากทำบาปน้อยก็จะอยู่กับความทุกข์น้อยทาบุญมากก็จะอยู่กับความสุขมากทาบุญน้อยก็จะ อยู่กับความสุขน้อยดวงจิตดวงใจของสารโลกแต่ละดวงก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับการทำบุญและการทำบาปของแต่ละดวงจิตดวงใจทําแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจนี้ทันทีถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปแล้วแต่ผลที่เกิดจากการ ทำบุญทำบาปนี้ยังตบค้างอยู่ภายในใจและจะหมดไปต่อเมื่อได้ส่งผลไปแล้วเหมือนกับเทียนที่เราจุดไว้เทียนจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อมีการไหม้ของเทียนไปเรื่อยๆพอไฟนี่ไหม้เทียนหมดแล้วเทียนนั้นก็หายไป บุญกับบาปก็เหมือนกับเทียนที่พวกเราจุดกันจุดแล้วมันก็จะต้องไหมตัวเทียนต้นเทียนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเมื่อหมดแล้วเราก็เรียกว่าหมดบุญหมดบาปเช่นถ้าเราจุดเทียนของเทวดาทําบุญแล้วก็ไม่ทําบาป เราก็เท่ากับเราจุดเทียนของเทวดาเทียนนี้มันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อเทียนจะถูกไฟไหม้ไปหมดเมื่อเนื้อเทียนถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วใจของสัตว์โลกนั้นก็หมดสภาพจากการเป็นเทวดาไปก็จะเริ่มลงมาสู่สภาพของมนุษย์เช่นเดียวกับเวลาทาบาป ทำบาปก็เท่ากับจุดเทียนไปนรกนะจุดเทียนของนรกเทียนนี้ก็จะไหมไปเรื่อยๆใจที่ทำบาปก็จะถูกไฟนรกความทุกข์ของนรกเผาผลาญไปเรื่อยๆจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้นั้นได้หมดกำลังไปเมื่อหมดกำลังไปแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในระดับของมนุษย์ใหม่ ระดับของมนุษย์นี้เป็นระดับที่ไม่มีเทียนของสวรรค์ไม่ได้จุดเทียนสวรรค์ไม่ได้จุดเทียนของดารกก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์ระดับของมนุษย์นี้ก็มีสุขมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปแล้วก็ยังต้องรับผลของบุญของบาปที่ยังมีตกค้างอยู่ ที่ยังติดมากับใจเวลาเกิดเป็นมนุษย์เวลาได้พบกับความสุขก็ถือว่ายังได้ยังมเีเชื้อของบุญหลงเหลืออยู่ส่งผลให้ได้รับความสุขเวลาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนต่างๆก็เป็นผลของบาป ท, ที่ยังตกค้างอยู่ หรือเป็นผลของบาปที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะเวลาเราเกิดมาแล้วเราก็จะมีการกระทําต่างๆบางครั้งก็เป็นการทําบุญบางครั้งก็เป็นการทําบาปบุญและบาปที่เราทําในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ส่วนหนึ่งมันก็ส่งผลให้เราทาให้เราเกิดความสุขความเจริญขึ้นมา หรือทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียขึ้นมานี่คือเรื่องของจิตที่ไม่มีวันตายจิตนี้ก็จะขึ้นขึ้นลงลงในโลกทิพย์ถ้าขึ้นสูงสุดก็เรียกว่าพระนิพพานชั้นสูงสุดของโลกทิพย์ก็คือพระนิพพานชั้นต่ําสุดของโลกทิพย์ก็คือนรกเอเวจี แล้วจะขึ้นสูงขึ้นต่ำก็อยู่ที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจของใจแต่ละดวงถ้าทําแบบพระพุทธเจ้าก็จะได้ขึ้นไปสึงถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานถ้าทําแบบพระเทวทัตก็จะลงไปสู่นรกชั้นลึกที่สุดที่เรียกว่าอเวจี v G. ผู้ที่ไปนรกเวจีนี้คือผู้ทำบาป5ประการที่เรียกว่าอนันตริยกรรมคือ 1. น่ฆ่าพ่อสองฆ่าแม่ 3. าฆ่าพระ อ, อรหันต์สีทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําทำให้สงแตกแยกการกระทำทั้ง5ประการนี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงที่สุด เป็นบาปหนักที่สุดตายไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกเอเวจีเช่นพระเทวทัตถึงแม้ว่าจะได้ทาบุญได้บวชเป็นพระได้รักษาศีลได้บรรลุอภิญญามีอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่อิทธิฤทธิปาฏิหารนี้ไม่สามารถกำจัดความโลภ ความโกรธความหลงภายในใจได้พระเทวทัตจึงถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำและยุยงให้ไปพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อที่ตนเองจะได้เป็นผู้มาปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าแต่พระบรารมีของพระพุทธเจ้านี้มี มากกว่าของพระเทวทัตพระเทวทัตจึงไม่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้ทำได้อย่างมากก็ทำให้พระโลหิตพ่อพระโลหิตคือทำให้เลือดออกนิดหน่อยเท่านั้นเองพ่อเลือดเพราะว่าพระเทวทัต น, นี้ได้พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จ้าง คนไปฆ่าก็ไม่สำเร็จครั้งที่สองก็ปล่อยช้างออกมาจากคอกเพื่อให้ไปเหยียบพระพุทธเจ้าก็ทาไม่สาเร็จเพราะช้างพอพบพระพุทธเจ้าพบการแผ่เมตตาของพระพุทธเจ้าก็ทำให้ช้างนี้ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าครั้งที่สาจึงขึ้นไปอยู่บนเขา แล้วรอให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาพอพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็เิ้งหินลงมาเพื่อหวังจะทับให้พระพุทธเจ้าตายแต่ก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าเพียงแต่สะเก็ดหินทําให้ผ้าบาดพ่อโลหิตพ่อเลือดทาเพียงขนาดนี้ก็ถึงกับเป็นโทษมหันเป็นอนันตริยกรรม พอาตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายในนรกอเวจีก่อนตายถึงแม้ว่าจะสำนึกผิดขอขารรมลาโทษต่อพ่อพระพุทธเจ้าแต่บาปกรรมที่ทำไวน้นี้ไม่สามารถถูกล้มล้างหักล้างได้ด้วยการขออโหสิกรรมการขออโหสิกรรมนี้ผลที่จะได้อย่างมากก็คือผู้ที่ถูก เรากะทำนี้จะไม่จองเวรจองกรรมกับเราถ้าเขาให้อโหสิกรรมเช่นเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเราสำนึกผิดเราก็ไปขออโหสิกรรมจากบุคคลที่เราไปทำร้ายถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเขามีเมตตาธรรมเขาก็จะให้อภัย เขาจะไม่จองเวรจองกรรมกับเราถึงแม้ว่าเราจะไปอขออโหสิกหรือไม่ขออโหสิถ้าเขาเป็นคนดีคนมีเมตตาเขาก็จะไม่จองเวรจองกรรมกับเราแต่การขออโหสิกรรมนี้เป็นการปลามใจปลามจิตของเราให้สํานึกถึงบาปที่ถึงความไม่ดีที่เราทำไว้ แล้วไปขอขมาลาโทษเพื่อที่เราจะได้ไม่กล้าทำใหม่ในครั้งต่อไปแต่บาปที่เราได้ทำไวน้นี้ยังต้องส่งผลคือตายไปก็ต้องไปตามอำนาจของบาปที่เราทำไว้ถ้าทำบาปด้วยความจำเป็นเช่นทาเพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงช่องทำเพราะเป็นอาชีพ ตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆทั้งๆที่มีเหลือกินเหลือใช้แต่อยากมีมากๆอยากร่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตถ้าทำบาปด้วยความโลภตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวผู้อื่นเขาจะมาทําร้ายเรา เราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนตายไปก็ไปเป็นอสุรกายและวถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอย่างพระเทวทัตนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดในนรกอเวจีนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปถึงแม้ว่าจะไปขออโหสิกรรม แล้วก็ตามการขออโหสิกรรมนี้ไม่สามารถลบล้างบาปที่ได้ทำไว้ได้ลบไม่ได้บาปที่ทำไว้นี้ล้างไม่ได้ลบไม่ได้จะต้องส่งผลเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะไม่ต้องไปรับผลบาปก็คือต้องปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเช่นพระพระองค์ครีมาน องคุลิมานี้ก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนบอกว่าถ้าฆ่าคนได้ถึงหนึ่งพันคนจะได้บรรลุเป็นผู้วิเศษขึ้นมาองคุลิมานก็เชื่ออาจารย์เชื่อว่าการฆ่าจะทำให้ตนเองนี้บรรลุเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ก็เลยทำตามที่อาจารย์สอน ฆ่ามาแล้วถึง999คนเหลืออีกคนเดียวคนสุดท้ายนี้ก็คือไปเจอพระพุทธเจ้าก็าพยายามที่จะฆ่าแต่พระพุทธเจ้ามีอภินยาทรงแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารทำให้องคุลิมาไม่สามารถตามฆ่าพระพุทธเจ้าได้องคุลิมาพยายามวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้า เร็วขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ทันจนในที่สุดองคุลิมานต้องตะโกนไปบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดเถิดเราวิ่งไล่ท่านไม่ทันแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมานก็เลยแปลกใจว่าหมายความว่ายอย่างไร หมายความพระพุทธเจ้าหยุดแล้วแล้วทําไมเขาวิ่งแล้วถึงตามตามไม่ทันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วพอพูดเท่านี้องค์ุลิมานก็ได้สติขึ้นมาทันทีว่าตนเองนั้นยังหยุดความหลงไม่ได้ไม่รู้ว่าการฆ่านี้เป็นการทําบาปไม่ใช่เป็นการทําให้ตนวิเศษ เป็นการส่งให้ตนเองต้องไปตกนรกอาเวจี v G. พอได้ยินคำที่พระพุทธเจ้ารทรงตัดว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากยังไม่ได้หยุดก็เข้าใจความหมายก็เลยหยุดการที่จะพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้า จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอารหรันตสาวกขึ้นมาพอจิตได้ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วจิตก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปใช้กรรมต่างๆที่ได้ทำเอาไว้ผู้ที่ได้เข้าสู่ขั้นของพระอาริยเจ้าตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี้ ไม่ต้องไปเกิดในนรกอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดในอบ า, ายไม่ต้องไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสูรลกายไปตกนรกเพราะว่าท่านได้มีธรรมไว้เป็นที่ปกป้องรักษาจิตใจบาปที่ได้ทำไว้ถึงแม้จะมีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีกาลังที่จะดึงใจ ให้ลงไปสู่นรกไปสู่อบายได้เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุถึงนี้มีพลังมากกว่าบาปต่างๆที่ได้ทำไว้พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านปิดประตูอบายได้ท่านไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าในอดีตชาติ เคยทำบาปทำกรรมหรือในปัจจุบันชาติเช่นองคุลิมานได้ฆ่าคนถึง999คนก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปนี่คือโลกุตรธรรมที่เป็นธรรมที่เหนือกว่าโลกิยะธรรมโลกิยะธรรมก็เช่นอภิญญาต่างๆเอเหนเดินอากาศได้ละลึกชาติได้ มีตาทิพหูทิพอ่านจิตอ่านใจของผู้อื่นได้ความวิเศษเหล่านี้ยับยั้งการไปตกนรกไม่ได้ยับยั้งการไปเกิดในอบายไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงอย่าไปหลงกับอภิญยาต่างๆอภิญญานี้ยังอยู่ในระดับโลกีะอยู่คือในระดับที่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ระดับที่จะต้องกลับมาใช้บุญใช้บาปอยู่ถ้าไม่อยากจะกลับมาใช้บาปมีแต่รับผลบุญที่สูงขึ้นไปตามลำดับก็ต้องปฏิบัติทรระดับโลกุตรธรรมทำระดับโลกุตรธรรมนี้จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้แล้วมาสอนโลกุตรธรธรมนี้ สัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะปิดประตูอบายได้ไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงจากการที่จะต้องไปรับผลของบาปที่ได้ทาไว้ได้นี่แหละคือสาระที่พึ่งของพระพุทธเจ้าของพวกเราพอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสอนวิธีปฏิบัติให้เกิดโล ก, กุราธรรมขึ้นมาภายในใจ เพื่อใจของเราจะได้มีพลังต่อต้านอํานาจของบาปกรรมที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดนอบายได้นี่แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอย่างอื่นทำอย่างอื่นสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะยับยั้งการให้เราไปรับผลบุญผลบาปต่างๆได้ต่อให้นั่มรวยเป็นมห้เศรษฐี เป็นใหญ่เป็นตัวระดับประธานาธิปดีเวลาตายไปก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่แต่ถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปแล้วไม่ต้องไปเกิดนอบายอีกต่อไปนะนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ถ้าเราไปศึกษากับศาสนาอื่นเขาจะไม่รู้จักโลกุตระธรรมเขาจะรู้แต่โลกียะธรรมเช่นการทำทานเช่นการรักษาศรรีลเช่นการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำใจให้สงบการปฏิบัติเหล่านี้ยังอยู่ในระดับของโลก้ยะอยู่ผู้ที่ได้บรรลุผลของโลกียะธรรมนี้ ยังต้องไปใช้ผลไปรับผลบุญผลบาปอยู่แต่ถ้าผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติทำขั้นโล ก, กุตระธรรมได้ก็จะสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ใจต้องไปรับผลบาปอีกต่อไปโลกุตระธรรมนี้คืออะไรก็คือปัญญานี้เองปัญญาที่จะเกิดขึ้น ที่จะต้องเจริญหลังจากที่ได้โลกิยาทำขั้นสมาธิแล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติที่ได้สมาธิแล้วแล้วถ้าได้อภิญยาก็ขอให้ระมัดระวังไว้อย่าไปหลงคิดว่าอภิญยานี้เป็นโล ก, กุตรธรรมเป็นธรรมที่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ เป็นธรรมที่ป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้อันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดผู้ที่ปฏิบัติสมาธิแล้วได้อภิญยาขอให้อย่าไปสนใจกับเรื่องอภิญยาอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่การรักษาอภิญยาควรที่จะปล่อยวางอย่าไปสนใจควรปฏิบัติใจให้เข้าสู่อปปนาสมาธิเข้าสู่ความสงบ ความว่างความเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เพราะว่าสมาธิระดับอัปปนานี้จะทำให้ใจมีพลังไว้มาใช้ในการเจริญปัญญามีพลังในการที่จะมากําจัดตัวที่จะฉุดรางใจให้ไปรับผลบุญผลบาปต่างๆ อะไรคือตัวที่จะฉุดลากใจให้ไปรับผลบุญผลบาปไปเกิดในภพต่างๆก็คือตัณหาความอยากนี่เอง k a r a ตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามะตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอย่างที่พวกเราอยากกันอยู่ทุกวันนี้อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่น ความอยากนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะฉุดให้พวกเราไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่เราตายแล้วนอกจากกามาตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากลิศอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากให้มีอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรง อยากให้ไม่ตายอยากจะให้อยู่ไปนานๆความอยากเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะชุดลากให้ใจนี้ไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ตายไปแล้วแล้วก็ความอยากอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวิภวตาหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่จนอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ใครมา ดุดาว่าเก่าตำหนิตีเนเขาระหานินทาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากของรักของชอบทั้งหลายไปถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเวลาตายไปก็จะถูกสามตัวนี้ดึงใจให้ไปรับผลบุญตอบผลบุญผลบาปต่อไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาป ก็เลยไปรับผลบุญก่อนบาปยังไ ม, ไม่ต้องไปรับรอให้เวลาบาปมีกำลังมากกว่าบุญก่อนถึงจะดึงใจให้ไปรับผลบาปได้นังนั้นถ้าพวกเราไม่อยากจะไปรับผลบาปก็ขอให้ทำบุญให้มีมากไว้กับบาปทุกภกทุกชาติเกิดมาในแต่ละชาติพยายามทำบุญให้มากกว่าทำบาป และบาปต่างๆที่เราทําไว้เราแขวนไว้ก่อนได้เรารอลงอายาได้ยังไม่ต้องไปรับโทษแต่ถ้าเวลาใดบาปมากกว่าบุญเวลานั้นแหละเราจะต้องไปรับโทษทันทีเหมือนกับเวลาที่ศาลตัดสินลงโทษรอลงโทษไว้ก่อนยังไม่ต้องไปรับโทษแต่ถ้าเกิดไปทําผิดอีกครั้งหนึ่งนี่เขาจะจับไปลงโทษทันทีเลยรอลงอายา เช่นสารบอกให้รอลงอายาหเดือนในระยะหเดือนนี้ถ้าเกิดไปทำผิดกฎหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่เขาจะไม่รอลงอาญาเขาจะจับไปขังคุกทันทีเลยนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นของพระอริยเจ้า คือขั้นโลกุตระธรรมคือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้คืออะไรก็คือเราต้องเห็นไตรักษณรู้ว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกขเป็นทุกเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไม่ได้เราเก็บมันไว้กับเราไปตลอดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพะบุคคลต่างๆบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทีดาญาิสนนิสหายหรือร่างกายของเหล่านี้เราเก็บไว้ไม่ได้มันจะต้องจากเราไปท่านยังเรียกว่าอนัตตามันเปลี่ยนมันแก่มันเจ็บมันตายท่านยังเรียกว่าอนิจจงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจึงเป็นทุกข์ เพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันจากเราไปนั่นเองแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสุขเราก็ต้องปล่อยวางยอมมันยอมให้มันไปจากเรายอมให้มันเปลี่ยนยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตาย ถ้าเรายอมแล้วใจเราก็จะหมดอยากเมื่อไม่มีอยากแล้วเวลาตายไปใจก็ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปใจก็อยู่ที่พระนิพพานอยู่ที่ปรมังสุขขังนี่คือสารณะที่พึ่งของพวกเราผลที่เราจะได้รับจากสารณะที่พึ่งของพวกเราถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนเรา และเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยรับรองได้ว่าเราจะได้ที่พึ่งอันนี้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ปฏิบัติและได้ที่พึ่งนี้มาแล้วอย่างมากมายก็คือพระอาลานตสาวกทั้งหลายทั้งในอดีตและในปัจจุบันพวกเราก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกันได้เป็นพระอาลานตสาวกเช่นเดียวกัน ได้ตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความแน่ ว, แ น, วแน่มั่นคงต่อ พ, อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกนในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้ำสุขภา ะ, ระโดยทั่วหน้ากันเธอ